ฟังเพลงรักอยู่เพียงลำพังมีใครบางไหมที่ทำเหมือนกัน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 อยู่ตรงนี้เดียวได้กับฉันโดดเดียวด้วยกันและในวันนี้ที่ฟ้าสดใสพาควาฉันไปพบกับเธอที่ฝันเราจะทำความเหงาหายไปพร้อมกัน เธออยู่ไหนตรงที่ไดต้องตามหาอีกนานเท่าไรเธออยู่ไหนใครสักคนคนที่เหงาเหมือนฉันเช่นกันไม่ได้ขอสิ่งอื่นมากมายแค่เพียงใครที่เคียงข้างกายอยู่ตรงนี้ <S <S เดียวไดนกับฉันยดเดียวได้ เนถนนเจอแต่คู่ที่เดินจับมือมาดูออกไปมีแต่ภาพของคนรักกันไม่รู้ออว่าเธออยู่ เดียวได้กับฉันโดเดียวด้วยกันเดียวได้กับฉันดเดียด้วยัน เดียวได้กับฉันเดียวดวกับฉันเดียวด